ที่ประเทศยูเครนนะตอนนี้เราก็คงทราบดีนะมันก็มีสงครามเกิดขึ้นในหลายเมืองบางเมืองนี่ก็มีการสู้รบกันอย่างประชิดตัวเสียงระเบิดเสียงปืนะมันก็ดังสนัน่นครอบครัวส่วนใหญ่นะเขาก็อพยพรนะลี้ภัยหนีไปที่ที่ปลอดภยัยแต่ก็มี ผูค้คนหลายคนหลายครอบครัวที่ก็ยังไม่อบพยพบอาจจะเป็นเพราะว่ายังห่วงหวงนะที่อยู่อาศัยบางครอบครัวนี้ก็มีลูกเล็กๆนะมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีลูกชายอายุประมาณสักสองขวบเวลาเกิดเสียงระเบิดขึ้นมาเด็กก็ตกใจแล้วก็ถามแม่ว่ามันอะไร แม่ก็อธิบายลำบากนะเพราะว่าสงครามยังเป็นเรื่องที่โหดร้ายไม่ควรที่เด็กจะรับรู้แต่ว่าเสียงปืนเสียงระเบิดนะมันก็ดังอยู่เป็นระยะระยะแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะให้เด็กเนี่ยเขาสามารถจะครองสติเอาไว้ได้หรือไม่ตื่นตกใจเวลาได้ยินเสียงระเบิด เสียงปืนไม่มีแม่คนหนึ่งก็ใช้วิธีนะเปิดโทรทัศน์ให้เสียงมันดังๆเด็กก็อยู่หน้าจอโทรทัศน์พอเสียงโทรทัศน์มันดังมันก็กรบเสียงระเบิดเสียงปืนที่อยู่ห่างไกลอาจจะนับ10กิโลหรือว่าไม่กี่กิโล้ลเด็กก็ ดูโทรทัศน์จนเพลินนะไม่ได้เสียงระเบิดเสียงปืนเพราะว่าเสียงโทรทัศน์เนี่ยมาจะเป็นเสียงการ์ตูนเสียงดนตรีหรือว่าเสียงบรรเลงมันอ่ะมันกลบเสียงปืนอันนี้ก็เป็นวิธีการนะของ บางครอบครัวนะที่เขาหาทางปกป้องไม่ให้ลูกเนี่ยตื่นตหนกตกใจนะกับเสียงที่มันน่ากลัวแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงระเบิดมันมันดังกว่าเสียงโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ มันดังสนันเนี่ยจะทำยังไงดีนที่ประเทศซีเรียเนี่ยนะเมือ่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็มีบางเมืองนะัที่เรียกว่ามันมีการสู้รบกันแบบเรียกว่าสนันวันไหวเลยเครื่องบินก็ ทิ้งระเบิดตูมตูม เ, เสียงมันดังมากนะเด็กนี่ก็ตื่นตกใจยเพพาะเด็กเล็กๆนี่ครอบครัวหนึ่งนะลูกสาวอายุสามขวบเวลาเสียงเครื่องบินที่มันทิ้งระเบิดนี่มันตูมเนี่ยเด็กก็ตกใจพ่อก็ไม่รู้ทำยังไง ห่วงลูกนะว่มีวันนึงเนี่ยมันมีเสียงประทัดเสียงด อ, อกไม้ไฟพราะมันมีงานเฉลิมฉลองกันอเด็กเล็กสามขวบที่นั่ก็ตกใจนะพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องตกใจนะลูกนะมันเป็นเสียงประทัดเดี๋ยวเขากำลังสนุกสนานกัน เสร็จลก็อุ้มเด็กนะอุ้มลูกเนี่ยไปที่ระเบียงนะเพราะว่าเด็กเขากาลังโยนประทัดเล่นดอกไม้ไฟกันบนถนนอุ้มลูกไปที่ระเบียงแล้วก็พ่อนี่ก็บอกเด็กข้างล่างที่อยู่บนถนนว่าเนี่ยนั่นลองจุดประทัดดูซิเด็กก็จุดนะทันมันก็เสียงดังสนั่นนะจุดสเสร็จแล้วก็หัวเราะ ลูกสาวเนี่ยวัยสามขวบพอเห็นเด็กเน่ยเด็กโตหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะบ้างเพราะว่าพ่อในหัวเราะนำไปด้วยพ่อก็บอกล้วนเนี่ยเสียงประทับมันไม่น่ากลัวนะเขาสนุกกันนะตอนหลังเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยก็มีเสียงระเบิดนะเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตูมเล พ่อก็บอกลูกสาวว่าเนี่ยไม่มีอะไรมนะัสิ่งประทัดนะเขากำลังสนุกกันนะแล้วพ่อก็หัวเราะนะลูกสาวก็หัวเราะตามนะนะเพราะว่าจำได้นะตอนที่เด็กบนถนนเนี่ยเด็กโตบนถนนนี่จุดประทัดกันแล้วหัวเราะ ก, กันสุขสนานนะับแต่นั้นมาเนี่ยพ่อกนะ็บอกลูกนะ ว่าเนี่ยไอเสียงระเบิดเนี่ยมันก็คือเสียงประทัดนี่แหละอย่าไปกลัวนะมันเวลาดังทีไรก็ให้หัวเราะนะเด็กก็หัวเราะนะเน้นตอนหลังเนี่ยเสียงระเบิดดังยังไงเนี่ยเด็กไม่กลัวไม่ตโนกแล้วเพราะว่าเด็กมองว่ามันคือเสียงประทัดเสียงของการเล่นสนุกกันนะเปลี่ยนไปเลยนะ จากเดิมเนี่ยที่ตกใจนะพอเสียงระเบิดเนี่ยคราวนี้ไม่ตกใจแล้วหัวเลาะแทนแล้วพ่อนี่ก็ตอนหลังนี่ก็เอาเรื่องนี้มาเป็นเกมซะเลยอย่างเช่นเวลามีเครื่องบินบินเนี่ยนะเสียงมันก็ดังมาแต่ไกลนะพ่อก็จะถามลูกว่าเนี่ยเสียงเครื่องบินหรือเสียงระเบิดนะ เด็กก็ตอบว่าเสียงระเบิดเนี่ยพอมันเป็นพอระเบิดมันดังจริงๆนะเด็กก็หัวร้อหัวร้อแบบหัวร่องงอง่เอเรียกว่าหัวร้อแบบเต็มที่เลยหัวร้อแบบเรียกว่าสุดชีวิตเลยนะอา่าเรียกขำกลิ้งเลยกลายเป็นสนุกไปนี่ทำไมถึงเปลี่ยนไปนะความรู้สึกเปลี่ยนไปนะเพราะว่า มุมมองเนี่ยของเด็กคนนี้ต่อเสียงมันเปลี่ยนไปพอมองว่ามันเป็นเสียงแห่งความสุขสนุกสนานหรือเป็นเพราะความเข้าใจผิดว่ามันเป็นเสียงประทัดเนี่ยเด็กก็กลายเป็นสนุกไปเสียงก็ยังดังเหมือนเดิมนะเสียงก็เป็นเสียงเดิมแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ความหมาย หรือว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปตอนแรกหรือว่าหรือเขามองมันเป็นเสียงดังนะเสียงแผดกล้องน่ากลัวก็ตกใจแต่พอเข้าใจว่ามันเป็นเสียงประทัดหรือว่าเสียงแห่งความสนุกเนี่ยก็กลายเป็นสนุกไปด้วยนี่ยังจะเห็นได้เลยนะว่าไอ้มุมมองของคนเราเนี่ยนะ มันมีผลต่อการรับรู้แล้วก็ความรู้สึกด้วยถ้าเรามองมันหรือเข้าใจมันในทางลบเนี่ยมันก็ทุกข์กลัวตื่นตนะนกพอเรามองหรือเข้าใจมันในทางบวกมันก็กลายเป็นสนุกไปนี่ขนาดเสียงระเบิดนะมีแม่คนนึงก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนึงเนี่ยขับรถไปต่างจังหวัด แล้วก็มีลูกชายสองคนนั่งอยู่หลังรถคนหนึงก็ยุ9งขวบอีกคนหนึ่งก็11ขวบเด็กชายเนี่ยพออยู่ด้วยกันนี่ก็มักจะหยอกล้อกันแล้วพอหยอกกันไปหยอกกันมาก็เริ่มส่งเสียงดังพอส่งเสียงดังนี่แม่ก็หันมาเอ็ดบอกว่าหยุดเล่นกันได้แล้วเสียงดังรบกวนแม่ลูกก็เชื่อนะเงียบ นะไม่หยอกไม่ล้อกันแต่สักพักเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอายุเก้าขวบเนี่ยก็ยืนหน้ามาหอมแก้มแม่ซึ่งกําลังขับรถอยู่นะแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยคุณแม่ครับลองมองว่าแบบเป็นเสียงความสุขหรือลองมองว่าแบบเป็นเสียงสวรรค์หรือเสียงความสุขของลูกดูสิครับแล้วแม่ฉุกคิดขึ้นมาเลย น, นะสักพักเสียงก็ดังอันนี้เสียงดังมาใหม่แล้วเนี่ยเพราะว่าเริ่มหยอกล้ อ, อ ก, กันใหม่ แล้วก็เสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่แม่ไม่ลาคาญแล้วพ่อแม่ไม่ได้มองมันเป็นเสียงดังหรือเสียงรบกวนแม่นะแต่มองวมันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกวิสัยของแม่เนี่ยถ้าเป็นเสียงความสุขของลูกก็พลอยยินดีไว้ด้วยจากเดิมที่ลาคาญเนี่ยก็กลายเป็นความยินดีไปซะ ทางที่ก็เสียงเสียงเดิมนั่นแหละแล้วก็ดังเท่าเดิมหรืออาจจะดังกว่าเดิมนะแต่ว่ามุมมองเนี่ยมันเปลี่ยนไปความรู้สึกก็เลยเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเปแล้เนี่ยอย่างที่เขาบอกนะสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิด ข, ขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามองมันอย่างไรเวลามีอะไรมากระทบ ไอ้ตานะของเราเนี่ยจะเป็นรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยเราก็มักจะมีการตีความหรือการให้ค่าให้ความหมายไปพร้อมๆกันดีก็ดีก็มีแย่ก็มีนะบางทีก็ให้ค่าว่าเออมันหอมบางทีก็ให้ค่าว่ามันเหม็นนะบางทีก็ ให้ความหมายว่าเนี่ยมันดังหรือบางทีก็ให้ความหมายว่ามันสนุกเนี่ยให้ตรงนี้แหละนะที่มันมีผลต่อความรู้สึกของเราเความรู้สึกที่ว่าเนี่ยคือสุขเวทนาก็ได้หรือทุกขเวทนาก็ได้ปกติเนี่ยเวลามีอะไรกระทบการรับรู้หรือไอจตนาของเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยเพราะาเราไป ให้ค่าหรือตีความมันไปในทางลบนะเราก็เลยพลอยทุกข์หรือเกิดความยินไล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมาให้ค่าหรือให้ความหมายมันในทางบวกนะให้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นจากเดิมที่ยินไล่กลายเป็นยินดีก็ได้จากเดิมที่ไม่พอใจก็กลายเป็นพอใจก็ได้อย่างเด็กเนี่ยพอ พ่อสอนว่านเนี่ยเสียงพวกนี้มันเป็นเสียงปะทัดเป็นเสียงแห่งความสุขสนุกสนานและพ่อไม่ได้บอกอย่างเดียวพ่อก็หัวเราะให้ลูกดูด้วยนะลูกพอได้รับความหมายใหม่หรือว่าได้เรียนรู้นะมุมมองใหม่นะพอได้นเสียงระเบิดนี่ไม่ทุกแล้วไม่ตอนตกตกใจแล้ว กับหัวเราะยังมีความสุขนะมันมีวิดีโอที่เขาถ่ายภาพเด็กคนนี้ตอนหัวเราะเนี่ยหลังจากที่เสียงระเบิดดังโอ้เด็กหัวเรายัางมีความสุขจริงๆเลยทั้งที่มันเป็นเสียงที่สาหรับผู้ใหญ่แล้วมันเสียงที่น่ากลัวแต่ว่าสำหรับเด็กนะพอมองมันในมุมใหม่น ะ, ะมันกลายเป็นเสียงความสุขได้ถ้คนเราเนี่ยเรามักจะ ตีความหรือเติมแต่งสิ่งที่เรารับรู้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราตีความหรือเติมแต่งไปในทางลบนะเราก็ทุกข์เราก็ไม่พอใจแล้วก็หงุดหงิดซึ่งมันก็กลายเป็นการสร้างนะความทุกข์ให้กับตัวเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเนี่ยอ๋อีจริงเราทุกข์เพราะเหตุนี้นะมันไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียงไม่ได้ทุกข์เพราะรูป หรือภาพที่ได้ยินอาที่เห็นแต่มันเป็นเพราะการตีความการปรุงแต่งในใจเราเราลองนะลองเปลี่ยนให้มันเป็นการให้ค่าการให้ความหมายในทางบวกนะอย่างทีล่ลูกชายบอกแม่นะว่าเนี่ยอย่าไปมองนะว่ามันเป็นเสียงดังเสียงรบกวน ล, ลองมองไปเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกดีสิแล้วนะ ใจคนเราก็ปรับได้นะมันปรับความคิดได้แต่มันต้องอาศัยความตั้งใจนะส่วนใหญ่เนี่ยเราเราทุกเพราะความคิดและมักจะเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจหรือเป็นความคิดที่มันทำจนเป็นนิสัยนะและพอมันคิดแบบนี้ทีไรก็ทุกข์นะเช่นคิดว่ามันเป็นเสียงรบกวนเราต้องแต่เราลองนะลองตั้งใจคิดนะแต่เป็นการคิดในทางบวก มันก็สามารถทำให้เราเนี่ยความรู้สึกนี้เปลี่ยนไปได้ไอ้การการคิดแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิกานะโยนิโสมนสิกานี่คือการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีนะซึ่งก็มีความหมายตั้งแต่ว่าเนี่ยรู้จักคิดพิ จ, จารณา จนเห็นถึงต้นเขาหรือสาเหตุร่างเงาอย่างใช้โยนิสโสรเมสิกาพิจารณาทุกจนเห็นสมุทัยเนี่ยอันนี้ก็ก็ใช่นะหรือว่าการสาวหาเหตุผลจนตลอดสายจนรู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันจะนาไปสู่อะไรเนี่ยอันนี้ก็โยนิสโสรเมิการหรือการคิดในเชิงเล่ากุศล ที่ทำให้ใจเนี่ยนะไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นอกุศลเนี่ยอันนี้ก็รวมไปถึงการคิดในเชิงบืหรือการคิดในเชิงรากุศลซึ่งมันก็เกิดจากการตั้งใจคิดนะอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยทุกเพราะการคิดโดยไม่ตั้งใจหรือการปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้ตัวแต่เราก็สามารถจะปรับได้นะนะโดยการรู้จักคิดให้มันถูกวิธี ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นนิสัยใหม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดนะความคิดมันใช้เรานะนะความคิดมันใช้เราจนเราทุกข์นะมันปรุงแต่งรูปลดกินเสียงจนกระทั่งเรานะเกิดความเครียดนะแต่แทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดมาใช้เรา แล้วทำให้เราทุกเนี่ยเราต้องรู้จักนะใช้ความคิดอย่าให้มันใช้เราแต่เราใช้มันถ้าความคิดนี่เราถ้าเราใช้มันแล้วใช้ถูกวิธีน ะ, ะมีประโยชน์แต่ใช้ถูกวิธีได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะความคิดมันก็ใช้เราแล้วมันก็ทําให้เราทุกเวลาเสียงกระทบหูภาพกระทบตาหรือว่ากลิ่นกระทบจมูกเนี่ยถ้าเรารู้จัก ใช้ความคิดอย่างถูกวิธีนะในสิ่งที่เราเคยเมางว่ามันแย่เนี่ยก็กลายเป็นดีได้นะอย่างเช่นความยากลําบากเนี่ยความยากลำบ า, ากเนี่ยถ้าเราใช้แต่ความรู้สึกล้นลวนเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ถ้าเรารู้จักใช้ความคิด อ, อย่างถูกวิธีนะเอมันสอนเรานะความยากลำบากนี่มันทําให้เราแข็งแกร่งมันทําให้เราเข้มแข็งมันทําให้เรามีขันติมันทําให้เราจับพึ่งตัวเอง นะอุปสรรคเนี่ยก็ไม่มีใครชอบความรุ่มเหลวก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่แต่ถ้ารู้จักคิดนะอย่างถูกวิธีนะหรือว่าคิดในทางบวกเรากุศลเนี่ยเออมันก็เป็นบทเรียนให้กับเรานะเป็นบทเรียนให้กับเราทำให้เรารู้ว่าไม่ควรทำอะไรนะซึ่งก็ทำให้เรารู้ต่อไปว่าควรจะทำอะไร คำตำหนิคำวิจารณ์ก็เหมือนกันน ะ, ะถ้าเราใช้แต่ความรู้สึกรวนรนเนี่ยไม่มีใครชอบนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักมองหรือใช้ยนติสวมนิสิตการเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่แนะนำผู้ที่ตำหนิเราเนี่ยก็เหมือนกับผู้ชี้ขุมทรัพย์แต่ถ้าไม่มองแบบนี้นะ มันก็ทุกนะในสาวัตกาลเนี่ยมีพระบางรูปนะตั้งใจมาบวชเนี่ยเพื่อที่จะดับทุกขนะเพราะมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกนะหเห็นว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยทุกแล้วก็ตั้งใจมาบวชเพื่อที่จะหาทางดับทุกนะอยากจะให้การถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยปรากฏแต่พอมาบวชแล้วเนี่ย ก็มีเพื่อนพระด้วยกันรวมทั้งพระที่อาวุโสกว่าก็คอยชี้แนะคอยแนะนำบางทีก็คอยตักเตือนว่าควรทาอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นบอกว่าพระที่ถูกตักเตือนนะไม่พอใจนะคิดว่าเนี่ยตอนเราเป็นคาราวาเนี่ยเราเป็นคนพร่ำสอนคนอื่นแต่ตอนนี้พอเราบัวแล้วเนี่ยนะ ภิกษุรุนลูกรุนห ล, ลานี่มาพร่ำสอนเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่พอใจถึงขั้นสกขาราเพศไปเลยนะนี่ขนาดตั้งใจมาบวชเพื่อนิพพานนะตั้งใจมาบวชเพื่อการพ้นทุกข์นะแต่พอโดนตหนิโดนตักเตือนนี่ทนไม่ได้นะไอ้แบบนี้ก็มีอยู่หลายรูปนะในสายพุทธการเนี่ยซึ่งมันก็น่าหัวนะขนาดก็ขนาด ถูกตำหนินี่ยังยังทนไม่ได้นี่เราจะไปหวังนิพพานได้ยังไงแต่ก็มีนะเพราะว่าไปหมอว่าคำตำหนิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวลวร้ายนะไปคิดไม่ถูกวิธีนะว่าเนี่ยคิดว่าเนี่ยตอนเป็นคาระวะเนี่ยฉันได้แต่พระมาสอนคนอื่นแต่ตอนนี้พอมาบวชเนี่ยพระรุ่นลูกรุ่นลานนี่มาสอนฉันนะทำนี่ได้ยังไงอันนี้เรววาคิดแบบ โยนที่โสมนสิการแต่ถ้าคิดแบบโยนที่โสมสิการนะั่นจะคิดว่าเออก็มาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะหรือคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าคําตําหนิเรายัางทนไม่ได้นะแล้วจะหวังทิพานได้ยังไงถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความอดทนนะแล้วทําให้เกิดการน้อมรับคําวิจารณ์อย่าว่าแต่คําทักท้วงเลยนะแม้แต่วิจารณ์นี้ก็น้อมรับได้งั้นถ้าเรารู้จังมองแบบนี้นะ เวลาปฏิบัติมันเจออุปสรรคอย่างไงเนี่ยเราก็ไม่ท้อไม่ถอยนะแม้กระทั่งเวลามาปฏิบัติแล้วโอ้ยทำไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินถ้าหากมองให้เป็นนะมองอย่างถูกวิธีนะเ อ, อเอ้ยความฟุ้งความคิดฟุง้งซ่านนี่มันก็มาเป็นการบ้านเพื่อฝึกสติของเรานะมันเป็นคู่ซ้อมมันเป็นบททดสอบนะอย่างที่หลวงพ่อ เ, อเขยนท่านว่าเนี่ยอย่าไปมองว่าหลงที่เป็นผิดนะ เวลาเราปฏิบัติแล้วเราหลงเนี่ยลงคิดหลงฟุ้งเนี่ยอย่าไปคิดว่าหลงเนี่ยมันคือผิดนะมันคือความรู้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าหลงเนี่ยอันเนี้ยดีหรือการที่หลงบ่อยๆก็ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยความหลงเนี่ยมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันทําให้เราจดจาได้นะว่าความหลงนี่หน้าตาแบบนี้อาการแบบนี้ยิ่งเจอมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจําได้แม่นพอมันเกิดขึ้นนะ เราก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นเพราะว่าเราจําลักษณะอาการของมันได้ไม่ว่าจะเป็นความหลงตัวไหนก็ตามความฟุง้งนะความเครียดความโกรธความโลภนะความอิจฉาลาข้างเนี่ยไอ้พวกเนี่ยล้วนแต่เป็นความหลงซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆนะเออมันก็ทําให้เรารู้ทันมันได้เพราะเรารู้ลักษณะอาการของมัน เรียกว่าจำได้หมายรู้ในความหลงซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวได้รวมทั้งการที่ได้เห็นธรรมชาติของความหลงนะว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยอันนี้หลงแบบนี้มันถ้าเรามองแบบนี้มันก็ทำให้เกิดความรู้ตัวนะ แล้ก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลงมากๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อคำแก่นท่านบอกว่าเนี่ยอย่าไปมองว่าหลงนี่มันผิดนะมันคือความรู้นะถ้าเรารู้จักมองนั่นถ้าเราเกิดว่าเรารู้จักพิจารณาอย่างหรือการใช้ความคิดแบบถูกวิธีเนี่ยมันก็ช่วยทําใหนะ้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีความก้าวหน้า การใช้ชีวองเราก็จะมีะความเจริญในทางธรรมมากขึ้นแล้วมันสิ่งที่ต้องฝึกให้เป็นวิสัยนะจนกระทั่งมังกลายเป็นเป็นศิล ป, ปะนะแต่ว่าการที่เราจะรู้จักคิดแบบถูกวิธีได้เนี่ยมันก็ต้องมีสติเป็นตัวยืนพื้นนะเพราะถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วไม่มีสติขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดแบบถูกวิธีไม่ได้เลย เมื่อคนที่บอกว่าเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ยถ้าหาว่าโกรธเมื่อไหร่จะจะภาวนาพุโทโธนะจะอยู่พุทอยู่กับพุบพโทโธตั้งใจแบบเนี้ยแต่พอโกรธจริงๆเนี่ยลืมหมดเลยนะพุโทโธเพราะอะไรนะพราขาดสติมันลืมหมดนะสิ่งที่ตั้งใจจะทำหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ถ้ามีสตินะเออมันก็ทำให้กลับมาอยู่กับพุโทโธได้หรือกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวก็ได้ นะพราะมีสติมาเป็นเครื่องเตือนให้เราลึกได้ว่าควรจะทําอะไรเมื่อเราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมา อ, อสิ่งดีๆที่เราอยากจะทําเนี่ยนะเราลืมหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเราขาดสติแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเออแม้จะพลาดพังเสียทีกับสิ่งที่มากระทบนะแต่ว่าเราก็จะระลึกได้ว่าควรจะทําอะไรควรจะกลับมารู้สึกตัวหรือควรจะกลับมามองในทางบวกหรือกลับมา มีโยนิสโณรสิการกับสิ่งที่เกิดขึ้นออาเย่นนพ้ดเทานี้นะขอกราบพระ